ถ้าหากว่าสู้ใหม่ๆแล้วจิงวางเฉยในทางพุทธศาสนาแต่ไม่ให้เป็นเลนเป็นไทยาศาสนาใดๆก็ดีอยู่แต่ ว, ว่าดีน้อยมีมากมันก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาเพรา ะ, ะพุทธศาสนาเมื่อในเป็นแศาสนารับจ้างถ้ารับจ้างแล้ว เมื่อตังหมดมันก็ขบวคืนเพราะมันไม่เห็นเองถูกไหยเกลือเกลือเค็มขนาดไหนถ้ามาลองว่าศาสตร์ลาเกลือเค็มขนาดไหนเออถ้าเธอกินดูกิฟ์ดูจะชิ่นความสงสัยไม่ต้องถามท่านใดก็ดีเราบอกท่านทั้งหลายก็เป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นเราจะทำแทนท่านทั้งหลายไม่ได้ เนื้อนอนก็นอนเองกระหายน้ำก็ดื่มเองเนื้ออาหารก็ทานเองเราเป็นเพียงที่บอกเท่านั้นถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้เหตุ น, นั้นเราจึงเคารพทำเราไม่สําคัญตัวว่าอยู่เหนือทำไม่สําคัญว่าเราเกิดก่อนทำธรรมเกิดก่อนเราแต่ไหนมาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาเทศน์อันเดียวกันไม่ได้รับเล่างพรบกันเลยพระบรมศาสตลาส้อนเป็นธรรมดาอยู่เอง ทำไมจึงไม่พูดปฏิบัติพระพุทธศา ส, สนาหน่อยนะเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นฐาดันดอนศักดิของผู้บารมีต่ําต้อยจะมาเลื่อมใสแต่ผู้ที่บารมีสูง ก, ก็มาจากวัที่อื่นเหมือนกันเช่นพระโมคคัลาสาเดบุตรก็มาจากวัตถิสนชัยนาฏบุตรใช่หรือม่แล้วก็มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาจึงสําเร็จทศวรรษวันสกทาคามีนาคามีเป็นลําดับไป ทรัพย์ทั้งหลายสีเท่าสองเท่าทรัพย์สือทพย์านทรัาย์น้ำเลยทรัพย์อยู่ในน้ำดําในดินวินในอากาศที่มีวิญญาณของสิงมันจะมารวมพลศาสนาพุทธหมดเมื่อมันเบื่อจากลัทธิของมันแล้วมันเคลื่อนมาเองเช่นพระบรมมัชสัจดาไปเรียนกับอุสกะดาบดรามบุตดการามโคดอุสกะรดาวมบดรามบุดนั่นเพียงสมาบัตแปดเห็นว่าไม่ใช่ขนทางทั สรุปข้อสูงในภาจึงไปเปฏิ บ, บัตรส่วนตัวอีกจึงสําเร็จภารหันจึงเป็นธรรมันเก่ามาเห็นธรรมันเก่าพระพุทธศาสนาบัญญัติตามธรรมเก่าเอสาธ ร, รมโมสนันธนูพระพุทธเจ้ามาแอบตั้ตงร่าดพระองค์ก็มาสอนธรรมันเดียวกันรักที่อื่นศาสนาอื่นก็จะมาสมาสามัคคีกันที่ศาสนาพุทธทั้งนั้น เพราะเดี๋ยวนี้กำลังเมากำลังมัวอยู่ก็มาไม่ได้พอเห็นโทษในสิ่งใดก็เคลื่อนไปคนเราแต่ก่อนเราก็เราก็กำลังเป็นว่าอยู่คาราวาสเมื่อเราเห็นโทษแล้วก็ยังมาบวชเนี่ยเมียสองอีกซ้ำตายคนหนึ่งเลิกกันคนหนึ่งเห็นโทษในทางคาราวาสว่าสุดไม่เป็นกูก็สังขารสิ่งที่จะเอามาก็สังขารกูสังขารต่อสังขารสร้างกัน ทำไมมันจึงจากเจริญกูต้องไปปฏิบัติให้มันจิตเหนือความหลงไปซะถ้าอย่างนั้นกูก็จะมาเที่ยวทั้งในวัตาสองศาลหลงอยู่นี่เองนึกได้อย่างนั้นแล้วก็จึงมาบวชมาคราวนี้สองพันส่รอยแปดแปดอดหกมาคราวนี้ข้าวก่อนนั้นบวดสี่พันษาสมเณรสามพระหนึ่งแรกกราชิขา แล้วก็ไปสร้างฆรวาสอยู่ประมาณสิบปีก็ออกจากขรวาสเขาถึงแก่กรรมภรรยาถึงแก่กรรมก็เลยมาบวชอยู่ดอน 3, สามพันษาบวชคขาวนี่มาอยู่กับหลวงปู่มั่น 4, สี่พันษา มีหลวงปู่มหาบวกควบด้วยออกจากนั่นก็ลงไปผู้กเกจพังงาับหลงปู่เทศสารพรรษาขึ้นมาอีกขึ้นมาองค์เดียวถ้าจะมาตรงหน้าเขาค่ากลับเขาก็จะส่งให้แล้วไม่พอใจจะอยู่พระะที่คับแคบ แล้วก็หาอวัยวกมาข้ามเขานางหงข้ามพูกเขาทอยจังหวัดพังงามาข้ามที่ไหนก็นอนที่นั่นพักแข็งแล้วสองเดือน3มเดือนว่ามีในชีวประวัติหมดแล้วใครไปอ่านชีวประวัติของอัตมาน้าตาไม่อะไรเก่งเติบละคนนั่น น้างหนึ่งไปไปอ่านอ่านไปอ่านไปพอถึงไปฝากตัวครับลอปู่มั่นร้องไห้เลยเอยกสามีของแกเป็นคนยาโสเนี่ยเป็นนายพ ล, ลตำรวจจบเสียงแล้วเป็นคนยันทั้เลยอีอันนี้อีอัอ น, น, ออนนี้มันเคยเป็นหลานลวงปู่นะพอดูหนังสือมาถึงนี้แล้วมันก็ร้องไห้ <c oughs> แกว่าให้แม่บ้านของแกทุกในโลกนี้ไม่เท่าเราถ้าพูดเรื่องทุกเรื่องทุกคืนหลังนั้นไม่เท่าเราหามดินกินหญ้าดังไถนาต้มเกลือสินเทาเรื่อยไม้สักนี่ไม่ใช่นักเลงสมัยนั้นมันมันมันไม่มีค้าลาย พ่อเกิดปีคุณไม่มีค้าลายสองันสีร้ห้าสิบสี่ค้าลายไม่มีเริ่มก็เลยยกก็ก็เล ย, เลย ไ, มไม่สักค้าลายเพื่อนคอนหนึ่งว่ามึงมึงมันเป็นนิสัยผู้หญิงกูดูข้างหลังมันเหมือนผู้หญิงมึงมาสักซะกับกูเพื่อนเอย๋ยเงินห้าสิบตังค์มึงไม่มีหรือมึงไม่มีกูจะให้ สักไม้เพศผู้วยชายเฉยเฉยออกเพราะเขาหยุดค้าลายแล้วในรอบชันเมืองรอนเราไปสักของเขาเนี่ยแต่เราก็ละอายอยู่เหมือนกันเ อ, อคนอื่นมาเห็นเขาก็จะว่าเออพระองค์นี้คงจะมาจากเขาใหญ่กันมัง้ง <laughs> เแร่าก็ต้องเล่าให้ฟังอธิแท่แล้วว่าใเนเรื่คดีดาคดีแ ด, ด, ดใงในโะรงในศานกับเราไม่มี เราเป็นคารวาสแล้วอยู่ทางโลกนึกคนวันนอกนึกว่าจะให้เป็นที่สามที่สี่เขาในด้านทรัพย์สินทรัพย์สินไอ้ที่แท้เป็นกิโลเขาบวชมาก็นึกว่าจะให้เป็นที่3าม ท, ท, ที่สี่ของท่านแต่ก็เป็นที่กิโลอีกละกรรมฐานเนี่ย เห็นภายในวัตะสงสารอย่างเต็มทีทก่ก็คือก็คือมีกุญแจถือเปิดพระเนรพลอย่างเต็มที่เหมือนกันเมื่อเห็นภายในวัตะสงสารอย่างเต็มที่ความเพลินก็ดับไปณที่นั่นเองความทายอทายาในโลกทั้งปวงก็ดับไปณที่นั่นเองก็ระอาทุกวันนี้เตรียมจวตายแท่นะั้นเตรียมัวตายก็คืออะไรก็คือภาวนา สมบัติสัฒนาสังหานีิมาทรัพย์อาสังหานีิมาทรัพย์วิญญาณกับทรัพย์สะวิญญาณกับทรัพย์มันเป็นเมืองขึ้นของไตรรัตหมดแล้วถ้าทําออกมาจากธาตุดินจะทํารู้รลาสักเพียงใดก็ตามดินก็พังลงเป็นดินน้ําก็พังลงเป็นน้ําไฟก็พังลงเป็นไฟลมก็ลงไปเป็นลมตามเดินกิเลสก็ไปบวกกิเลสบุญก็ไปบวกบุญมรรคผลในภานก็บอกมรรคผลในภารของใครขอมัน โรคคือมูสัตรชราพยาธิเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนโรคคือมูสัตจำเป็นจะได้ทิ้งรากไว้ในแผ่นดินโรคคือมูสัตบกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาผู้ใดปฏิบัติถิ่ธรรมผู้นั้นกิเลสจะไม่เป็นนายหน้ามาก ผู้ใดไม่ปฏิบัติศีลธรรมผู้นั้นกิเลสต้องเป็นนายหน้าใส่หันคว้าหันกำลังหันหน้าวิ่งมันก็บอกมันบังคับได้แล้ว <c oughs> เราจะให้เป็นกิเลสเป็นนายหน้าหรือเราจะให้ธรรมะเป็นนายหน้าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราจะถามเดี๋ยวนี้ถ้าเราให้กิเลสเป็นนายหน้าความสุขของเราจะมาจากประตูใด ความเห็นของเราชนิดนั่นเป็นเสก อ, อบอุ่นแล้วหรือยังก็ต้องตอบอีกถ้าเราเราให้ธรรมะของพุทธศาสนรระเป็นนายหน้ากับให้เกเรตเป็นนายหน้าอันไหนจะดีกว่ากันอันนี้ก็ให้เราตัดสินตัดสินเองเห็นเองเรามีเกเรตหรือไม่เรามีโรคปวดร้ลงไหมถ้าตายแล้ว เขามา่หยียบย่อมเราจะว่ายังไงเราก็ไม่ว่าอะไรพาเป็นทุกข์ก็คือใจใช่ไหมถ้าตายแล้วน่ยเขาจะมาเหยียบเนี่ยไม่ว่าถ้ายังไม่ตายมึงไม่รู้สักกูหรื อ, อทุกขเหรอเกาหลกาอาหารอาหารคือคำข้าวพาระเา้าอาหารคือสัมผัสมโนสัญเจสนอาหารอาหารคือมโนสัญเจสนความนึกคิด วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณจักรุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาส่ตาวิญญาณวิญญาณทางหูคณะวิญญาณวิญญาณทางจงูกจมูกวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายะวิญญาณวิญญาณทางใจมโนวิญญาณวิญญาณกายจะวิญญาณวิญญาณทางกายมโนวิญญาณวิญญาณทางใจบางท่านก็ถามว่าวิญญาณมีจริงไหมผู้ต่อผู้ถามก็เอามโนวิญญาณมาถามผู้ต่อก็เอามโนวิญญาณตอบก็ไม่ควรทำกันตอบกันบางท่านก็บอกว่า ตายแลเกิดไหมผู้มาถามว่าก้อนเกิดก้อนตายมาถามผู้ตอบว่าก้อนเกิดก้อนตายตอบก็ไม่ควรถา ม, ถามตอบ ก, กันภาษาเดบุตนับเม็ดหินเม็ดทรายถ้านับยังไงเม็ดหินเม็ดทรายจะสร้างมหาสมุทรนับได้หมดลมก็นับได้หมดพัดอยู่ที่ไหนนับได้หมดฝนตกอยู่ที่ไหนก็นับได้หมด ดินมีอยู่ที่ไหนก็รับได้หมดน้ำ ม, มีอยู่ที่ไหนก็รับได้หมดไฟก็มีอยู่ที่ไหนก็รับได้หมดท่านนับยังไงท่านนับลงเป็นฝ่ายย่นฝ่ายสังฆโหสังฆอะสังฆโหไม่สงเคราะห์ดินมันเป็นปฐวีธาตุเป็นของแข็งถ้าจะว่าในบาลีท่านจงนับเวทดหินวมายให้ดูดู นับธาตุดินให้ดูดูเอกภะทวีธาตุหนึ่งดินนับเม็ดแดดนับเม็ดน้ําให้ดูดูฝนตกที่ไหนก็ตามเลมหาสมุทรก็ตามเอกอาโปธาตุหนึ่งหนึ่งน้ำนับความอบอุ่นแล้วของแดดของธาตุไฟสักเอกเตโซธาตุหนึ่งไฟนับลมสะกลมพัดที่ไหนนับดูดู เอากาวายโยธาหนึ่งลมแต่ว่าเขานับผิดมันก็ไม่ถูกถ้าหนึ่งสองสามี่ห้าจนถึงอสงไขยผู้นับก็เป็นผีบ่าผู้ไปเป็นกรรมการฟังก็ผีบ้าเหมือนกันใช่หรือไม่ mm. เห็นความตายคณะทิ่หนึ่งในปัจจุบันความตายในอดีตราคตก็ไม่ต้องสงสัย เห็นทุกคณะเกิหนึ่งทุกหนอนาคตกำลังต้องสงสัยเห็นอนิจจังคณะกิจหนึ่งก็เห็นรอบรอบหนึ่งแล้วพระโลกจะไม่ด้วยอนิจจังสองทะลุผู้เขาเลยผู้เขาเขาลูกระเบิดซึ่งรองก็แตกไะเจิงพระพุทธศาสนาสอนให้โงงมีปัญญาเป็นหัวหน้าศีลแต่ละวัดระบาดเขามีปัญญาเป็นหัวหน้าถ้ามันมีปัญญาเป็นหัวหน้าเขารักษาศีลอย่างคุ้ง ชิ้นห้าข้อทำมาลรองละเมิดทำมาเป็นข้อเดียวเป็นกลมกลืนกันอยู่ที่ดวงใจเป็นเครื่องห้าเดียวชิ้นแปะก็แปะเดียวสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ใจปัญญาล่องลูในที่ใจตกลงชิ้นสมาธิปัญญากลม ก, กลืนกันอยู่เรียกว่าใจชี้ขานีก็ไปบวกดี ชั่วเข้าไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่เป็นข้าอาขารได้เป็นผู้ลูกนอกจากใจมันมีอะไรจะเป็นผู้ลูกเอาหลักทีนี่เหนื่อยแล้วเอาเออกมาม า, ม า, มาผลมะทีนี่ท่านผูน้ใดสงสัยอะไรก็ถามมานะพูดมาสักแซงมาดูดูจะแกะได้ไหมปล่อให้แซงอ๋อไม่ต้องถามปล่อยให้แซง แทงเลยเอาเอาแพ้เอาชนะกันที่ไหนไม่ได้ก็จะยอมไว้คราวหน้าจึงเจอกันจะไม่ให้โปวดใช่กันถ้าแก้ไม่ได้คราวหน้าก็เจอกันแก้กันเอกพูดไม่ถูกพูดจนมันถูกนึกไม่ถูกนึกจนมันถูกนึกไปในทางดีไม่ใช่นึกไปทางอันอื่น ผู้ใดอยากได้วิชาชิพหายจะให้ไปเล่นเลขเนอะไปเรียกบ่อยๆเดียวพวราชการพวราชการเงินเดือนขึ้นให้แต่ก่อนเคยใช้รถปิกอัพอะไรอะไรเงินเดือนขึ้นให้กับรถเบนรถวอลโว่วอลเวอะไรขึ้นไปอีกมันก็พอกินล่ะพวกพอค่าเขาก็ไม่เป็นพี๊บ้าเขาก็ขึ้นราคาของเขาเหมือนกัน แล้วก็พวกชาวนาเนี่ยตายเลยละออไม่มีประตูเลยละพวกมีเงินเดือนคอยยังทั่วพวกกรรมกรก็ตายเหมือนกันพวกข้าราชการก็พวกพ่อค้าเนี่ยน้ําขึ้นมันก็ขึ้นด้วยน้ําลงมันก็ลงด้วยเหมือนเรือออพวกหากินทางกระปั้นเนี่ยมึงตายหากิน ชาวไร่ชาวนานี่ยตายข้าขาเยเล็กๆน้อยๆพระพุทธศาสนาไม่ให้เอาเรื่องโลกมาพูดพระพุทธศาสนาไม่สอนโลกจะไปสอนผีตัวไหนพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตต า, อ า, าสอนคารวะเนี่ยคารวะสอนคารวะทํากระพระด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองโดยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา สาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบไม่เมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไมให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยอาเมษฐานหน้าที่ของข่าวว่าหน้าที่ของพระเนรหนึ่งห้าไม่ทำความชั่วสองให้สร้างอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนําใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มหกบอกทางสอนให้นักถ้าพระพุทธศาสนาไม่สอนโง่จะไปสอนผีตัวไหนขอเข้าเข้ามากินจะเอาอะไรแทนเขา เหนื่อเรื Physical, ่องนี ifer, <out> ่เนาะอะไรอะไรทุกทุกพูดที่เล่นเลขแปลว่าผู้ไม่รู้จักทางชีพหายแต่ทางชีพหายและทางเจริญก็ยังไม่รู้แล้วยังไงจึงจะเจริญอีพ่ออีแม่พักอีสานเอ๋ย ทางชิดหายก็ยังไม่รู้ทางเจริญก็ยังไม่รู้ทําไมจึงจะเจริญในด้านวัต ถ, ถุนิยมและอารมณคติอีพ่ออีแม่เออีทางคิดผายอ่านทานภาคอีสานพู้นี่อีพ่ออีแม่ออเอย น, น, นะแมงผู้แมงผึง่งโอ้อ่าแมงมาวันเบียนขา่าวตะเกียงวันก็ว่ามันสียรวยได้รถ บ, บีขาดออกมาน่ะ เข่าสิไปเอาฟื้นทิมแทไฟเพื่อแหลกเอาดอดก้อนขึ้นมาตั้งหามโอ้เขาเอาถิมแทไฟเขาหงเขาต้มน้ำมันดีตัวอันนี้เอาฟื้นทิมแท้ไฟเพื่อแหลกเอาดอปก้อนกันเลยสักกี่เท่านเนี่ยแล้วก็กำอกำอกำอกทิเดนทรายกำเดนทรายหวานลงในทะเลให้มันเต็มหวานลงในมหาสมุทรอินเดียให้มันเต็มดูหรู <laughs> มันไม่เต็ม ฮะสัตว์เขีว่า ม, มือฟังหมดเนี่ยอืะ ไ, ไรพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าได้ทาแล้วเพราะเธอทำทีหลังดอกอย่ามาทำแข่งเราเลยเราประสบการณ์มาแล้วจะได้มาสั่งสอนพวกเธอพระพุทธเจ้าอย่ามาทําแข่งดีกับเราเลยรีบฟังซักพระบรมศาสดาสอน เพราะพุทเจ้าเห็ดฟองแห้งทั่ง ห, หลายได้งหลมันบ่มาเห็ดเ น, น, น, น, นี่ยเห็ดร้เบืองฟองแห้ ง, งหมือนหเล่าทงังมาสอนเข้าเข้ามาเฮ็ดน้ำกลนพันดอกเด้ไฟไใหม่ท้งนั้นไหวซ่าคนกรุงเทพไม่กี่คนเลยนี่้องออกไหมล้วพูดอย่างนี้นั่นไม่ออก <laughs> ตัว <laughs> ว่าเกิดกรุงเทพหรื <laughs> อฮอืม เดี๋ยวพวกนี้จะบนนะฟังไม่ออกไม่รู้อะไรพูดสองคนทางนั้นไม่เอาไม่ยอมเขาก็จําไม่ไว้เขาปจําไม่ไว้ฟังไม่ออกไงตอนนี้สันทิษาเลยตอนนี้ก็สันทิษาเลยเอาจะยกอุทาหรณ์โมคนาสาเีบุเ อ, อ๋ย วันนี่มันมันยังเช่าอยู่เราไปเล่นบกเล่นเบี้ยเล่นเอากีบอลกันเถิดเอาบาทกันเถิดทางหนึ่งก็ไม่ได้ไปบินทบาทละเหตุนั้นพร ะ, ระรบรมศาราจริงเขารบธรรมใช่ไหมนั่นพระของมันจะไปอยู่ทางหนึ่งตระกูลอันว่างข้างจะตั้งอวลนานไม่ได้พระศาสนาสี่ ไม่แสวงหาวัตถุที่หายแล้วไม่โวยแล้วนะพัสดุต้องฆ่าไม่จัดประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสติรู้ทุศีนให้เป็นเมื่อเดือนต่อเรือนหวงจะดำลงพวกตระกูลคนเว้นสถานผีประการไม่เสียไอ้ไฟไหม้บ้ามันก็ไม่แต่บ้านแต่เรือนที่ดินมันไม่ไ่ม้ไฟไม่เล็กไหมาไม้บัตรไม้เบอไม้อบายมุดที่ดินมันไม่ไปหมดเลยขายไปขายไปขายมาขายไป้ายมามันก็เป็นประเทศจีนมันก็เป็นประเทศที่ปุ่น พวกไทยจะไปอยู่ไหนพวกเราจะไปอยู่ไหนนี่ทีนี้ไม่มีเลยแล้วไปตื่นเงินลานเงินแขนเงินลาดไปตราด3ามวันก็หมดใช่ไหม <c oughs> ทีนี้เศรษฐกิจทุกวันนี่มันชิบหายเลยเรียกขาบัดเบอร์เนอะอาบายมุกเนอะมีแต่ะผะเข็ดแอ แอฟอฟอยู่พวกคนราวาสไม่ช่วยมันก็สู้ไม่ไหวรัฐบาลไม่ช่วยมันก็สู้ไม่ไหวฮะฮะเล็ผู้ใดยังถือว่า เลขว่าผ้าว่าบัตรระาเบอร์เป็นของเจริญผู้นั่นบาามียังอ่อนมากยังรักษาตัวไม่คุ้มไม่รั์เท่าไรก็หมดวิดาบันดาจะแบ่งปันให้กีรานล้านก็ตามมันก็หายสู้ไม่ไหวเสียหมดวิชาชิบหายไม่ใช่วิชาเจริญเอาโยกศรหอรัฐบาลก็เป็นพ่อเป็นแม่ประชาชนก็เป็นลูก ลูกกับพ่อกับแม่เป็นเล่เ ล, เล่นไปเล่นเล่เลกันมันก็บ้าจริงเก่งใช่ไหมนั่นถ้ารัฐบาลไม่มีรัฐบาลก็มาป่นประชาชนประชาชนไม่มีประชาชนก็ไปป่นรัฐบาล น, นั่นมีแต่ว่าด้วยกันทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนด้วยออกก้นไม้ก้หมูวัดพระกดพวกมันมองดูคำสอนพุทธศาสนามันก็บ้าทั้งนั้นน ะ, ะนะโกรธแบบนี้ล่ะใครโกรธก็ตาม ถ้าอย่างนั้นพระไตรพิโลกเอาไปเผาไฟซิ่งซะนอนเฝ้าทำไมพระไตรพิโลกก็มีอยู่ในกรุงเทพเพียงมากอบายยมุก ค, คือเหตุเครื่องชิบหายหกหนึ่งดื่มน้ำเมาสองเที่ยวกังคืนสามเจาดูกันเล่นสีเล่นการพนันห้าพวกคนชั่วเป็นมิตรหกเกียรขั้นทํางานผู้หวังเจริญด้วยพกกระสับจงเล่นเหตุเครื่องชิบหายหกประการนี้เสียนั่นนั่นนั่นคำสอนพระทีเจ้าถ้าอย่างนั้นพิมพ์ไายทําไ ม, ไมเอาไปเผาไฟซิ่งซะทีนี้ เราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าผู้เล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์เอา้าเขาเอาเงินที่เล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์ไปฝากครังไว้กี่ร้านไม่มีเสียเลยพ่อไอเนี่ยเอ๋ยนะมีแต่ตนาคลานไม่ใช่ธนาครารมันคลานอยู่มันไปไม่ไหวเนี<ง>่ยทีนี้พวกรอบออกไปเล่นประเทศนอกหาบเงินเข้ามาไหมมีจะเอาไปให้เขาใช่ไหม เห็นในนั่งสื้อพิมพ์เอาไปให้เขาทั้งนั้นไม่ได้หบับเอามาเลยพวกรอบไปเล่นเฮโรเฮราอะไรประเทศนอก <laughs> ไม่ได้เลยมายเขาเบมือมาทีนี้ได้ทราบข่าวว่าจะเอาทุ่งกุลาใ น, ในเป็นที่เล่นการพนังทุ่งกุาลาร่องให้มันร่อให้แต่กุลาก็ยังดีจีนก็จะร่องให้ไทยก็จะร่อให้ลาวก็จะร่อให้่ะ เขาเอามาเขาก็มาหุบไปหมดแนะ่ําเอาไปหมดนะ้ำน้ำประเทศไทยแต่เราไปเล่นเขาเขาก็ยังไม่ได้มาสักต่างเลยนี่ทาราไปฝากเขาไปหมดนึ่งเอาไฟเข้ามารอเอาไฟเข้ามาเผาประเทศลองดูดูชื่อหายวนะัดถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะ เอาออกวัดลงสุลาก็เอาออกลงลิเกละครก็เอาออกลงนวดก็จะเอาออกลงอบลงเอบลงที่บ้านาการพนันก็เอาออกวัด รายได้ถึงจะมีน้อยก็ตามเราวมาทําชิบหายมันก็เราไม่เราไมา่า ม, ามีวิชาชิบหายในใจก็มาเป็นปัญหาอันนี้เรียนวิ ม, มีแต่วิชาชิบหายทางนั้นอยู่นี่เออ ว, วิชาไฟเผาโลกอบายามุกเป็นไฟเผาโลกยังไม่รู้อบายามุกเป็นของมุขะมุขะชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปา หรือเป็นปากปทางแห่งความเสียหายเราก็ยังไม่รู้ว่าทางเจริญทางเสืย่อมยังไม่รู้แล้วทําไมจึงจะเจริญก็มีแต่เสื่อมกับเสื่อมเสื่อมคูณเสื่อมแต่คือมันเป็นทางเสื่อมไม่ใช่ทางเจริญไม่มีปัญหาเลยอันนี้ของตื้นตื้นของเพียงกอสาราคาขอสราขาสัตวนั้นอันนี้เรายังไม่รู้จักชาวโลกยังเห่หิมเพราะอะไร เพราะกเลมันส่้หันข้อาหาันไย้แล้วไม่มีธรรมะจะไปไส้าหันข้อหันเลยถูกไหมทีนี้ใครจะพูดอะไรก็พูดอีกรักเดี๋ยวมจะหยุดนะจะทำอะไรก็ทำสัออ เออเกิดขึ้นอะไรก็ทำทักนี่อันนี้หรอเจ้าเจ้าเจ้าฮอะไร ว่าถ้าไปดูแบบภาษาดีบุตรก็ได้กำไรเพื่อนเพื่อนภาษาดีบุตรวอกคาราพากันไปดูลครเพื่อนเพื่อ น, น, น, นวันนี้เราไม่เพลินนะว่ะทําทไมจริงเหงามากเพื่อนวันนี้ทําไมไม่ไล่าเริงเหมือนวันก่อนเออคนที่มาอยู่ในมหาวิศนี้ก็ต้องตายหมดไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเหลืออยู่ เราจะมาเพื่อเพื่นในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ยังไงเรานึกอย่างนี้เออเราก็นึกเหมือนกันเพื่อนวันนี้เราก็ไม่สนุกถ้าอย่างนั้นเราก็ไปออกไปหานักปราชญ์เถิดเมื่อเจอแล้วก็บอกกันเนาะต่างคนต่างไปพอไปเจอพระสารีบุตรพอไปเจอพระอาตชี้ก็มาบอกกันเล่ากันให้กันฟังก็ได้สําเร็จพระโสดาวันมันทำ น, นั่นถ้าไปดูเพื่อเป็นเครื่องนาย เพื่อเป็เรื่องสดสังเวยมันก็ไม่เป็นปัญหาอันนี้มันไปหลงกับเขาน่ะมันก็ไปดูหนังกิ๊งกิงมันก็ไปหลงหนังกันใช่ไหมเอผู้ชายก็ไปหลงหนังผู้หญิงผู้หญิงก็ไปหลงหนังผู้ชายใช่ไหมถูกไหม <laughs> นั่นมันไปอย่างนั้นเน่ยเป็นส่วนมากถ้ามันถ้ามันไปเทียบใส่ธรรมะมันก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ย แต่ว่าลาดคนก็ไม่มีคนหนึ่งเนอะถูกไหมนั่นแต่ข้างพุทธการก็มีมันทันสุราเขามีว่ายทำไมมีว่าให้คนบ้ากิน <c oughs> ถ้ากินแล้ก็เป็นบ้าหมดถ้าไม่เชื่อเขามาให้หลวงปู่กินดูช่วงนี้กินหมดบ้าน้ำกันหมดเนี่ยบ้าบ้าเฉยๆหรอกพูดเ ข, ข้างตัว อันพวกขับรถใส่หน้าใส่หลังก็ตายด้วยมองสุรานั่นเองใส่หน้าใส่หลังไปนะรถรถฮะเพื่อให้ต้องการว่อุลก็เอาผ้ามาห่มพระบรมสาสรามไม่ได้สอนอย่างนั้นจะให้พรชักก่อนนั่งลง ด้วยในพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยมันขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้มันขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีทั่วทั้งสตรโรกายกประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือทุกทั้งหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอเอาอะไรเอาภาษาไทยเลย ภาษาพรคตฟังไม่ออกมันก็เท่ากับว่าแก้วจะขายจริงเข้ากับกล้วยเะว่าเรามาศาสตราตัตทร์ู้ทำอะไรบ้างอริยสัจสีคืออะไรบ้างจริงอย่างพระเสด็จโรโปวดหลงมีไหมถ้าข้อกรดหลงมี การปฏิเสธบันเทาหรือเหือดแห้งหายไปก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่หรือไม่ถ้าโรคโกรธลงไม่มีโรคจะมีเวรในไหายไหมทําคุ้มครองโรคคืออะไรบ้าง ถ้าพระพุทธเจ้ามาเทศตรงกันไหมใครเป็นผู้เทศเก่งก็พะสมารพระพุทธเจ้าทั้งหลายใช่หรือไม่พราสร้างวัลามีแก่ข้ามาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้ามีความประสงค์อะไรมีจริยายังไงมีพุทธจริยาสาม พุทธะจริยาสร้างมารีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยาตตะจริยาจะได้สงองข้อญาติโลตตะจริยาจะได้สองข้อโลกโลกมีอะไรเป็นแดนเกิดต้นโลกมยไหมต้นของโลกมันอยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้สร้างโลกโลกทั้งปวงรวมลงมาเป็นสังขารโลกใค่ไหมสัตว์โลกโลกคือหมสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้จากโลกเทเราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้จากสกามาเจะละหกชั้นพมลโลกได้จากลูกพรผมถึงหกชั้นและลูกพรมสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาเป็นสังขารโลก สังขารมีสองอุปาทินกาสังขารสังขารมีใจครองอุปาทินกาสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารทั้งสองนี่มีภาพพจน์เป็นยังไงบ้างเกิดขึ้นแล้วกาแฟพวงแลแตกกระายอดีตคืออะไรคือสังขารที่ล่วงไปอนาคตคือสังขารที่ยังมะมาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กําลังเป็นอยู่ สังขารที่กำลังเป็นอยู่ในสกลร่างกายมีกายะสังขารสภาพอันแตงกายคือลมหายใจเข้าออกเมื่อกี้สังขารสภาพอันแตงจิตอ่าสภาพอันแตงวาจาจิตตาสังขารจิตตาสังขารสังขารนั้นสภาพอันแตงจิ ต, ส, ตสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปร่วงไปร่วงไปร่วงไปร่วงไปเมื่อกี้สังขารพูดมาแล้วก็ร่วงไป ยิตตาสังขาร น, นขึ้นแล้วก็ล่วงไปสิ่งที่จะตั้งอยู่ไม่ได้สิ่งที่ล่วงไปก็คือทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดทุกข์สิ่งนั้นก็อยู่ตามอาเภอใจของตนไม่อยู่ในอำนาจวาระของใครมีทุกข์อยู่ตามอิสระมีเกิดดับอยู่ตามอิสระผู้มาหลงเป็นใคร ผู้มาหลงเป็นความโง่ใช่ไหมที่เรียกว่าอาวิชชาผู้ทะ ย, ยานในสังขารทั้งหลายคือใครคือกิเลสตัณหาใช่หรือไม่ทะ ย, ยานในของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความทะยานนั้นทะ ย, ยานในโลกใดๆไม่มีอันนั่นก็ไม่ใช่ทุกข์ใช่ไหมตาหูจมูกเกลื่อนกาย ใครไปใส่ชื่อเรือนามให้ตาหูจมูกเลื่อนกายแบ่งออกเป็นสองตาหูจมูกเลื่อนกายเป็นรูปขันใจเป็นนามขันสี่ปทานสี่ย่นลงเป็นสองใช่ไหมกายก็ย่นเป็นกายตามเดิมเวทนาจิตดรมย่นลงเป็นนามขัน ขันห้ายันเป็นสองรูปขันก็ขันตามรูปขันตามเดิมรูปสังขารก็ว่ารูปประโลกก็ว่ารูปประธรรมก็ว่ารูปสังขารก็ว่านามสังขารก็ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปขึ้นแล้วกษาพรวนแจกสลายทั้งนั้นอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์ไตรลักษณะอ่ะมีลักษณะอยู่สามอย่างอันนี้จะตามความนของมาเที่ยงทุกตาควาเป็นทุกอนัตตาตามคนของมาแท้ตน โดยเครื่อกระเบีวกนั้ น, แ ต, นแตกสลายซัดทั้งหลายมาหลงอะไรลงนังหุ่มอยู่ในรอบว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นของสุขว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นของสวยของงามความหลงอันนั้นถูกไหม ใครจะเป็นผู้รู้ตามเป็นจริงก็คือสติปัญญาใช่หรือไม่เมื่อสติปัญญารู้ตามเป็นจริงแล้วความ้องก่าเจกจะเจงิงใช่หรือไม่ดินมีอะไรบ้างดินภายในผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจ ตับฟังผือดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีธาตุดินแยกเมาไว้นี่ซะธาตุน้ํ า, ด, าดีเสลศักยขังอยู่เป็นบางม่วงคืออาหาราเารามันแข็งน้ำเสลลงปดปั๊๊บปั๊บปั้ปปปปปปาม่มีน้ำเสลแข็งตัวนี้พวกเราเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะกําลังกินปฏิกูลไม่ได้ คลุกเลยน้องมีอยู่ตามเสียระบาดแผลเลือดมีซอง่าตั้งอยู่ท่ว ม, าาม้ามหัวใจตะปอดไหลซึมซ้บลงไปในหัวใจตะปอดเหมือนน้ำคลั่งจางๆจื ด, จดสิ่งที่เป็นก้อนท่วมอ้ามหัวใจตะปอดเนือ ออกจากตามขุ้มขนขุมผมในเวลานอนจัดในเวลาทาพิการมันค้นอยู่ตามจะงอยบ่าหรือหน้าผากหรือล้งมือล้างเท้าน้ําตาไหลออกจากคุ้มตาทั้งสองปเปลี่ยวมันค้งคงจะเป็นน้ามันในท่องหรืออะไรเราก็ไปคัดอันนี้น้าลาย ไล้ออกจากไตรินมาอยู่กับพุ่งแค้มทั้งสองน้ำมูกออกจากสมองศีรษะไลวลงมาทางนาศิกหน้าไข้ข้ออย่าตามข้อกระดูกน้ำมูกอยู่กับพระพัะจุลังนี่คืดินนี่ก็ น, น, กน้ำ ามากรองไวน้นี่สักไฟที่ยังกายให้ออุ่นไฟที่ยังกายให้กระซุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่พออาหารทางย่อยไฟสี่นี่ธาตุดินน้ําไปเดี๋ยวมากองไว้นี่สักลมพัดขึ้นว่างบนลมหาวลมเลอะลมอ้วกลมไอลมจามลมพัดลมว่างต่ํา ลมใสอุจาระถายปัสะหรือหายลมลมในท่องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเส้นเอ็นลมหาใจเข้าลมหายใจออกดินน้ำไฟลมแยกออกแล้วลราเขาอยู่ที่ไหนไม่มีเหมือนกุฏิวิหารแยกเครื่องงงออกเครื่องวนออกอะไรออกข้างล่างพืนออก คำว่ากฏจวิหารก็ไม่มีฉันเลยก็ดีเมื่อแยกธาตุดินน้ำไฟลมออกแล้วสำหรับว่ามนุษย์หรือคนหรือสัตว์หรือบุคคลตัวเราเขาสัตว์ไม่มีจริงเล้นี่เกิดขึ้นแล้วกาแฟควรจะแต่สลายมีธาตุดินน้ำไฟลมผชมกันอยู่เยาว่าลูกขันเพราะว่าลูกประโลกเพราะว่าลูกประทับเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วกาแฟควรจะแต่สลายน้ำง้ำมัมงแปลว่าชื่อมัน เมตตาความสวยอารมณ์ทุกทุกเวขาเวตนาเกิดขึ้นมาจากอะไรสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวตนาตาไปเห็นลูกถ้าถือตาเป็นของสบายก็เป็นสุขเวสนาถ้าถือว่าเป็นของกลางกลางก็เป็นอเวคาเวตนา ถ้าถือว่าเป็นของที่ไม่ชอบไม่พอใจเขาเรียกว่าทุกขเวทนาโดยเค่องกระเบิดโบราณแต่สัญญาทนี่มาจากไหนอาศัายรูปกทบในตาจําได้ว่ารูปนั้นรูปนี้เรียกว่ารูปสัญญาเสียงจาได้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้เรียกว่าสัทธาสัญญากลิ่นจำได้ว่าเสียงนั้นสินนี้ก็เรียกว่า คะสัญญารสจำได้ว่าเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวก็เรียกว่ารสสสัญญาโหดะพกระชบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งจำได้ว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อบอุ่นก็ดีหรือถือว่าเป็นของสนุกกด็ดีก็จัดเป็นโทดสะสัญญา ธรรมารมที่เกิดขึ้นกับใจธรรมารมคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นงกายใจที่ล่วงไปตาหูจมูกลิ้นงกายใจที่ยังไมามาถึงตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่กำลังเพลนอยู่เย่อกับธรรมารมเป็นนิทานของตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่ล่วงไปแล้ว เป็นนิทานของตาหูจมูกเลียงกายใจที่ยังยังไม่มาถึงเป็นนิทานของตาหูจมูกเลียงกายใจที่กําลังเป็นอยู่ที่กับชบภายนอกมาสัมผัสกันแล้วียกระธร่มมาลมถ้าถือเป็นของสนุกก็เป็นสุขเวทนาถ้าถือว่าเป็นของทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาถ้าถือว่าเป็นของเฉยๆไม่สูงว่าทุกข์ก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาสัญญาก็เหมือนกัน เนี่ยฉะนั้เจว่ารูปะสัญญาสัทธะสัญญาคันทะสัญญารักษสัญญาผุดสะพัดสัญญาธรรมะสัญญาเดี๋ยขึ้นได้กับเรว่าในแจตสลายเหมกันถ้าวิตกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผุดสะพัดในธรรมลมก็เรียกว่ารูปะวิตกสัทธะวิตกคันทะวิตกรักาวิตกผุดสะวิตกธรรมะวิตกที่นี่วิการในรูปเสียงกลิ่นรสผุดสะพัดธรรมพมก็เรียกว่ารูปะวิการสัทธะวิการคันทะวิการรักษาวิการผุดสะพวิการธรรมะวิจารวนเวียนอยู่นััท้งหลาย วนเวียน อ, อยู่ในโลกหองไนี้แหละเหยื่อรักเหยื่อจังเหยหลงอายตระาพาัยเมตตาเป็นต้นอายตระภัยนอกมีโลกเป็นต้นวิญญาณมีจักขู่วิญญาณป็นต้นกระทบกันเียากสัมปัตจักขูสัมปัตโสตสัมปัตชานะสัมปัตเสียวหาสัมปัตสายะสัมปัตมโนสัมปัตสัมปัตนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสทุขว่างทุกว่าอุเบกขาว่า ง, า ง, า ง, าางมีสื่อตามอายตระพัยเป็นหคือจักขูข่สัมปัตสายเวทนาโสตสัมปัสชาชาเวทนา ขณะสัมปัตสัายเวทนาเชี่ยวหาสัมปัตสายเนากายะสัมปัตสชายเวทนามโนสัมปตสชายเวทนาเวท น, นาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาพัยธยาธยาในเวทนาสุขเกิดดับเป็นรังสรรคตัณหาเป็นเกตเป็นเหตุให้เกิดอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นตามอุปท า, านถือมั่นในกาง ทิทประรานที่มันในสินพุทธศีรษุประตานที่มันในสินพุทดอัตตาทูประธานที่มันวัฏวะตนร่างมุปาานที่มันในาทิศทประรานถือมันในจิตติกลามเห็นศีรษะประตูปาานที่มันในสินพทอัตตาทูประรานที่มันวัฏวะตัววตนอัตตาทุประรานทั้งหลายเป็นจอมผลขอ ง, ข อ, ง, ข อ, งอุปทานทางปวง ถ้าครบอัตวาทุกประธานแตะก็เจองแล้วอวิชาตัหาอุปทานก็แตกไปนะที่นั่นเองกิเลสทั้ทงหลายก็ตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสมีเครื่องระงับกิเลสจึงมีเครื่องพ้นกิเลสจึงมีเกิดแก่เจ็บตายถือว่าเป็นทุกข์โลกปวดหลงถือว่าเป็นทุกข์ เคร่องปฏิบัติเพื่อละโลภละโกรดละหลงจึงมีถ้ามืดไม่มีสว่างก็ไม่มีถ้าโง้อไม่มีฉลาดก็ไม่มีถ้าเย็นไม่มีร้อนก็ไม่มีสภาวะทั้งปวงเปนของแกกันเหตุนั้นจึงปฏิเสธพระเนพานและเครื่องปฏิบัติก็บรนทุกไม่ได้ใครหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ฝ่าไม่เห็นเลย พระทหาทั้งหลายหาความสงในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเห็ดนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปสักข้ามทะเลหลงข้ามที่นี่ข้ามไปที่อื่นขายสีตายข้ามมื่อข้ามที่นี่นี่ข้ามมืดข้ามที่นี่นี่เมื่อเนี่ยข้ามมื่อเมื่อ้ังนอกสว่างยนอกๆส่วนเมื่อด้านใน ความหลงด้านในคือสติปัญญาจะข้ามได้พระรหันหาไม่เห็นหาความสุขในโลกมาเห็นเราจะมาหาความสุขในโลกค่อคๆเข้ า, ขามาจะแข่งดีกับพระอรหันต์เลี่ยมก้างท่านแท่งด้วยว่ <laughs> ท่านหาเก่งกว่าเราแล้วไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ฝ่าไม่เห็นเลยเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปสัก พวกเราแข่งดีกับพลังหันใช่ไหมแล้วมาหาความสุขในโลกแข่งกันแข่งไปแข่งมาเอากิเลสออกมาอวดกันเพอกะคปั้นก็คำปัน้นพอคะอนก็ขอนไม่มีกคำปัน้นเทนเนทุกวันนี่มีแต่ปากเหล็กใช่ไหมโป้งเลยโป้งโป้งโป้ ง, ป ง, ป ง, ปงเลยใช่ไหมตัวอะไรกับตัวกิเลสใช่ไหมนั่น พระพุทธศาสนาสอนปกครองโลกอะไรบ้างยอดคืนมาอีกไยทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความร้ายตาบ้าบความกลัวตะบากเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ยอดคืนมาหาที่ต่ําเทศสูงแล้วก็ยอดลงมาหาต่ําเทศต่ําแล้วก็ยอดมาหาสูงเที่ยบขึ้นลงขึ้นลง อ, อยู่กันนั้นเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นเหมือนนักมวยลุกก็มีถอยก็มี ถอยก็ต้องหอยเมท่าลูกก็ต้องลูกเมท่าใช่ไหม เ, เราปฏิเสธพระพุทศาสนาไม่ได้ทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างคามละอาต่บาปความกวต่บาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้เบื้องต้นขอเบื้องต้นห่อขอตราคาขอตราคาเลยเนี่ยเล็ดหนึ่ง็สอง เ, 2, เล็ดสามเน่ะเอ้า ตอรื่องต้นอะไรถ้าหากว่าไม่มียังอาตบา่าไม่มีความกลัวตวบ่บแล้วมันก็ไปร่วรมแล้วหมดเสียหายใช่หรืไม่นั่นทุกวันในโอนามานกันอยู่ก็เพราะร่วงแล้วหมดเสียหายใช่ไหมนั่นน่นถ้าทําให้มีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่สามารถรู้ทําได้เพราะโลมศาสตรเาเห็นนั้นเราจึงเคารพทำไม่สําคัญว่าตัวอยู่เหนือทำเลยทำที่เราแสดงนี้ไม่ใช่เข้าข้างใครไม่ใช่พักมากพวกมาก เป็นธรรมาธิพไตยไม่ใช่ราชาธิปไตยไม่ใช่อัตาตาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิปไตยเป็นธรรมาธิพไตยไม่เข้าข้างคนขั้นต่ำกับขั้นสูงเลยใครเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลตามส่วนคนฆ่าของเหตุที่ปฏิบัติน้อยมากมันดิ่งเหมือ น, อนระดับน้าเหมือนเครื่องวัดเครื่องตวงที่ไม่ชอบไม่โกงทำความสอนพพุทธศาสนาะใครจะเป็นผู้บัญญัติบาปมคนโทษถูกก็พระพุทธศาสนาะท่านนั้นใช่หรือไม่ อันอื่นก็ถูกอยู่แต่ว่าถูกไปทางโลกีเป็นส่วนมากถูกทางโลกีด้วยถูกทางโลกุตระด้วยเอ้ามนุษย์สมบัติพระพุทธศาสนาสอนอย่างไรบ้างสอนให้เวนอบายามุกใช่หรือไม่สอนในธรรมะเรื่องชีวิตในทางที่ชอบอบายามุกทุกประเภทเป็นมนุษย์ในบัตรสวรรค์ในบัตรพรหมในบัตรนิพพานในบัตใรใช่หรือไม่นั่น มนุษย์ได้บัตสวรรค์ได้บัตรพรหมนด้บัตรในิพพานไดบัตรหน่อยถ้าว่าเป็นมนุษย์สมบัติยากกว่าเป็นสวรรค์สมบัติก็เป็นพรหมสมบัติก็เป็นพญานาคสมบัติไปเป็นลําดับถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามกรรมและผลของกรรมมีอยู่ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมีอยู่ แม่สารตัดสินสารไต่สวนความถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นปัญหาเพราะกตัญญังอยู่ข้างหลังเองจะตามสนองกองขานเพราะท่านไปทําไมเพราะท่นถือศาสนาอื่นใช่ไหมก่ไปถือศาสนาไม่ได้ถื้อศาสนาพุทธใช่ไหมถูกไหอนะก็ไม่ได้มาหมู่เดียวกันหรอ มาบูเดียวกันไหมไม่กินไอพัดใช่ไหมไม่กินไอพัดกันก็เลยไปเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ผู้ใดไม่เชื่อคำสอนของพุทธศาสนาผู้นั้นจะก้าหน้าไปสู่ทางอุรมคติความหวากมันกัน ถ้าอดอมคติไม่มีอยู่ในหัวใจวัตถุนิยมก็พลอยลำวากด้วยมีเท่าไรก็ไม่พอเพราะไม่มีสถานีเพราะไม่มีที่ห้ามเบรกถ้าชาวโลกไม่เชียอห้าบริบูรณ์สงขามคนจะ ม, มีใช่ไหมโจตรวนก็ไม่มี ทหารก็ไม่ต้องมีก็ได้ตำรวจไม่ต้องมีก็ได้ขายของไม่ต้องเฝ้าก็ได้กุญแจก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีถ้าชาวโลกมีเส้นห้าเท่าที่ควรเอ้าชาวโลกมีมากขนาดไหนสักวันนี้วัดโลกก็ไม่จากว่าร้ายหมื่นล้าน สองรอยประเทศก็มังแต่ละประเทศก็คงมีหาเสีพวกเสื้อผ้าก็มีรายล้านก็มีมที่นี่จำพวกที่เราอยู่ในโลกนี้ผู้มีชสีนงหาประจำมีพอห้าพันคนไม่หมดโลกเลยก็คงไม่มี แล้ราค่าฟันกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะรองรเบิดชิงนหาใช่ไหมโรคเอกเกิดขึ้นเพราะรองรเบอดชิ้นหาใช่ไหมเพราไม่มีขอบเขตใช่ไหมวิ่งไทยวิ่งราววิ่งจีนกดขีกันโชคต้อนสะดมก็มาจากอธินาทานหรือปานอธิบาท ศีลจะรับข้อละข้อถ้าสามารถร่วงข้อหนึ่งได้ก็สามารถร่วงได้หมดถ้าดื่มสุราเมาข้อแรกก็สามารถร่วงได้หมดถ้าไม่ได้อาต่บาปไม่กลัวต่อบาปก็สามารถร่วงได้หมดอีกเหมือนกันก็หมายตังค์มาอยู่เหตุนั้นจึงปฏิบัติศีลธรรมควบคู่กันไป ถึงแม้มีชิ้นห้ามีชิ้นสีก็ยังดีอยู่ชิ้น 3, สามชิ้นสองก็ยังดีมีอยู่มันไม่ได้สักข้อเลยในในโรกอันนี้ไม่ก็ลำบากเหมือนกันพระก็เหมือนกันพระถ้าเสียอจจะจะตียุงอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีอีกเหมือนกันมันก็ไม่ได้ทั้งชิ้นห้าเลยนั่นถ้าเสียดจเรื่องเราเมื่อะบายยมุขมันก็ไม่มีชิ้นห้าอีกเหมือนกัน นั่นถ้าใชดได้อย่างร่วงระเมิดเอาไปยังมดก่อนถ้ายังใช้ได้อยากจะรักทรัพย์ก็เพื่อผิดในการมอยู่ชิ้นหน้ามันก็ร่วงระเมิดอีกเหมือนกันก น, น, นั่นสินสองลายเจ็บมันก็มีแต่ชื่อมันใช่ไหยนั่นชิ้นเนี้เป็นหน้าที่ควรคิดเนี่ยแต่ความดีคนดีนดทำได้ง่ายก็มีคนชัว่วทํำได้ยากคนชัว่วคนชัว่วทำได้ง่าย ตรงกันข้ามเราจะอยู่ในระดับใดมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนทำไมแผ่นแผ่นเนชุกไม่สุกอาไม่เสมอกันสูงต่ำร่วมรุ่มรอนมนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดมีความเห็นอยู่ในชั้นไหนก็ว่าความเห็นนั้นถูกใช่ไหมเม่แรงวันมันก็บอกว่าความเห็นของมันถูกเม่แรงผูเม่แรงพึ่งมันก็บอกขอความประชาธิปไตยเขามันความเห็นมันถูกใช่ไหม เพื่อไดติดอย่ในไขั้นในผู้นั้นก็ยืนยันขั้นนั้นของเราถูกนอนมันก็บอกว่ามันถูกอยู่แมลงวันมันก็บอกว่ามันถูกความผิดไม่มีใครยอมผิดใครไหมเพราะไม่มีเครื่องวัดเพราะไม่มีเครื่องตวงถ้าเอาคำสอนสแล้วก็จะสาธาเป็นวัดเครื่องวัดเครื่องตวงแล้วมันก็สบายเราปฏิบัติได้ตอนไหนเราก็รู้เราไม่ปฏิบัติได้ตอนไหนเราก็รู้เพราะมีเครื่องวัด เป็นบุตรที่มีพ่อมีแม่เป็นศิษย์ที่มีครูถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยกัดอัตโนมัติลําบากผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ได้ไหมก็ไปไม่ได้เราก็ไปไม่ได้ท่านผู้อื่นก็ไปไม่ได้เหมือนกันนั่นโทษวางเช็ดไค่กับยาพิษเพือบนําตายโทดวางเช็ด ให้กับหลุนสานเพอก็ให้ผลในปัจจุบันเวลาไปล่วงเวลาไปหลุมเข้าเวลากระโดดลงหลุมสานเพอสิงนันไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจผู้ไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดเสียน่าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดอบายสมุคไม่ใช่ได้อยากกระถืออยู่ยงคงกพันไม่ใช่ได้อยากจะถือระดียามดีดดด ไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่ใช่ได้อยากจะค้าขายเง้าพ่อค้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์จริงๆน่าสั์ที่ตข้าก็เป็นอาหารค้าขายละเมอค้าขายยาพิษการค้าขาย้าอย่างนี้ไม่มีในพระสดาดานเลยพระสดาดานเป็นบุญบานหน้าบุญบานหน้าก็สูบพระเนปาไม่ถอยหลัง บาปก็นับวันจะร้หรอไปเหมือนดังพระจันรในวันข้างขึ้นเหมือนดังพระจันทรในวันสร้างแรบุญก็นับจะวันหน้าขึ้นเหมือนดังพระจันทรในวันข้างขึ้นพอไปถึงพระอนาคามีก็ไปจบบาปบุญกันที่นั่นพอไปถึงพระหันก็จบบาปบุญกันที่นั่นเนื้อบาปเมื้อบุญไปแล้วพอบุญก็สร้างพอแล้วบาปก็ละพอแล้ว ต่อแน่ละมีญญาเป็นทุติยทิฏก็ไม่มาเกิดอีกทำแต่ละวัดลบาดส่งต่อพระเนรพนหมดคำขอพระสวสดาบันก็ส่งต่อพระเนรพลทำของพระสัสด า, ามีก็ส่งต่อพระเนรพลทำของพระอนาคารีก็ส่งต่อพระนรพลทำของพระรหันต์จบแล้วนะโมตัวเดียว ตรงต่อพระนิพพานได้นโมพระสเทวานเป็นนโมที่ไม่หลงทางดังชื่อว่ามาแนี่ยนั่นนโมสัคคาคารีนโมแปลว่านอบน้มนโมพระอนาคามีเป็นนโมที่ไม่มีโรคไม่มีโกดแต่ไม่หลงละเอียดอยู่นโมพระอรหันต์นอบน้อมจนได้มาเกิดแก่เจ็บตายนอบน้อมจนไม่มีรอบไม่โกดไม่หลงเลยนอบน้อมจนไม่มีเราไม่เขาเลยเห็นเป็นแต่ธาตุทั้งพวงเห็นแต่ เป็นแต่สังขารทั้งพวงในโลกอันนี้ไม่ได้ร้องว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังที่ชาวโลกสมมติแต่ว่าผู้บราเราเขาเหมือนกับคนอื่นแต่ไม่ทิดอยู่เหมือนอําข้างใบวัวท่านทุกมพนไปแล้วอ้าพระทหารรักษาจิตไหมพระทหารจะรักษาจิตเพระจิตของท่านดีแล้วเนื้อเห็ดเนื้อผลไปแล้ว ถ้าพระทหารรักษาจิตอยู่พระทหารก็เป็นทุกข์ใจว่าคนคุมนักโทษเพราะเปล่งนักโทษจะลักหนีเปล่งนักโทษจะทําอันตรายแก่ตนด้วยเหตุนั้นพระรหารจึงไม่ได้รักษาจิตเพราะจิต ด, ดีพอแล้วแต่พวกเราไม่รักษามันผิดจริงจริงใช่ไหมเอรักษา covid จริง การรักษาไม่มีการปฏิบัติจึงมีการรักษาไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีการรักษาไม่มีมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งไม่เช่าบัพเช่บุญไม่เช่บุนเช่าโทษก็ไม่มีการรักษาประเภทหนึ่งคือเป็นพระรหัน์แล้วการรักษาไม่มีการรักษาก็มีอยู่สองประเภทพระสวดิวันก็รักษาอยู่ตำก่านั้นลงมาก็รักษาอยู่แต่เป็นโลกีตำกับพระสวัสดาวันลงมาเป็นโลกี เป็นน้ำไหลหวนเป็นคนหลายใจเป็นพาเรือในอา่ามดบาตแล้วก็ไปหาบุญมดบุญแล้วก็ไปหาบาบมดบาบนญหาบุญมดบุญมาหาบาบวนเวียนกันอยู่ไม่ไปถึงไหนส่วนพระโสดา์วันเ้าหน้าไปสู่พระหัสนางท่านก็รุกข่าวเดียวพระนกเกเดียวเลยบางท่านก็ยั่งอยู่อดอีกข้านหนึ่งว่าสามข้าว่าเจ็ดข้าวว่า บางท่านก็พอถึงพระโสดาบันก็รุดถึงพระอนาคามีรุดถึงพระอรหันต์เลยก็มีสิ่งเนี้เป็นหน้าที่เราจะคิดทางนั้นนอกจากใจก็ไม่มีอนไรจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอนไดจะทำลายใจนอกจากใจก็ไม่มีอนไดจะส่งเสริมใจส่งเสริมในสิ่งที่ควรส่งเสริมกีดกันในสิ่งที่ควรกีดกันมิตร ด, ดีสหายดี ตอนไหนดีมิตร ด, ดีสายดีพ่อดีแม่ดีปู่ย่าตายายดีคู่ดีอาการดีตอนไหนทำถูกก็ส่งเสริมตอนไหนทำเช้าข ก, กิดกันเพราะไม่ใช่ศาสน า, าพระปฏิจจ์นกินทางวางเฉยถ้าหากว่าสู้ไม่ไหวแล้วจริงวางเฉยในทางพุทธศาสน า, ศาแต่ไม่ให้เป็นเลนเทนไทย